ันะความมืดมีองค์สี่คืออะไรหนึ่ง อ, อาทิตย์อสดงคตสองวันนั้นเนี่ยเป็นวันอุโบสถกาลปักกันนะคือแรมสิบสี่คำหรือสิบห้าคำเนี่ยสามก็แนวป่าทึบสี่ก้อนอากาละเมฆใหญ่ตั้งขึ้นคือเรียกว่ากลางเที่ยงคืนเดือนมืดด้วยแล้วมีเมฆครึ้มต่หมดเนี่ยนะบางแห่งบอกกลางป่าใหญ่ด้วยนะยามมืดขนาดไหนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ถึงอย่างนั้นนะพระองค์ก็ทรงเห็นตลอดยอดหนึ่งโดยรอบในที่มืดอันประกอบด้วยองค์สี่แม้เห็นปานน่า น, นี้นะที่ไหนจะปิดบังได้บ้างนะไม่มีเนี่ยในที่หลุมก็ดีบานประตูก็ดีกาแพงก็ดีภูเขาก็ดีกอไม้ก็ดีเท้าวันก็ดีเป็นเครื่องบงังการเห็นทั้งหลายย่อมไม่มีะทำบุญด้วยไฟมาขนาดไหนเนี่ยนะ จึงจะมีแสงสว่างมองทะลุภูเขาทะลุกำแพงนนเนี่ยนะ16กิโลเมตรเนี่ยเอาภูเขาบังก็มังไม่ได้อะมองทะลุโดยรอบหมดเพราะฉะนั้นหากว่าบุคคลพึงเอ า, มาเมล็ดงาหนึ่งเนี่ยทำเป็นเครื่องหมายใส่ลงในเกวียนบรรทุกงาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงหยิบเอ า, มาเมล็ดงานั่นแหละขึ้นได้อะ น, นะเรียกว่าปิดบังซ่อนเร้นไว้ตรงไหนก็เห็นนะนะพระมังสะจักษุเนี่ยเป็นปกติของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บริสุทธิ์อย่างนี้ ตาของพระองค์เนี่ยบริสุทธิ์อย่างนี้ไม่ว่าการไหนไม่ว่าที่ไหนเนี่ยนะไม่มีไม่มีที่จะมองไม่เห็นกับตาเนื้อธรรมดาเนี่ก็เนื้อตาที่คนทั่วไปแล้วเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าพระองค์เนี่ยมีมังสะจักษุก็บารมีที่บำเพ็ญตลอดสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยมาแต่งตาให้เป็นตาที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยมเนี่ยนะ พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแม้ด้วยทิพจักสุอย่างไรที่บอกพระองค์มีตาทิพเนี่ยนะตาทิพนะ่ะตาทิพนี้สําเร็จที่เกิดจากอภิญญา เ, เกิดจากทิพสมาบัติเนี่ยนะเกิดได้เป็นผลของฌานสี่เนี่ยนะว่าได้ฌานสี่ก็น้อมไปเพื่อทิพจักสุคือมีจุตูปปาตายานเนี่ยนะคือถ้ามีตาทิพอย่างเดียวเนี่ยนะจะมีตาทิพเรียกว่าทิพจักสุอันเนี้จะได้สองอย่างคือกรรมมูปคะฆาญด้วยนะัะ ญาณที่รู้กรรมและผลของกรรมเช่นเรียกว่ามองเห็นเทวดาก็ยังถึงว่าเทวดาเหล่านั้นเนี่ยทำกรรมอะไรจึงเกิดเป็นเทวดาเห็นนรกเปรตอสุรกายทั้งหลายเนี่ยก็ยังถึงกรรมด้วยรู้กรรมด้วยนะด้วยอํานาจกรรมมูปะฆาญาณก็อยู่ในบริวารของทิพยสุยาณเหมือนกันถามว่าพระองค์มีตาทิพย์อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติเนี่ยนะ ที่กําลังจุตินี้ก็ธรรมดาใชเห็นตายอนะของเราก็เห็นไหมตายเห็นแต่ว่าพระองค์เนี่ยเห็นจุติไม่ใช่แค่ศักิ์แต่ว่าตาเห็นแบบเราอะนะ <c oughs> ที่กําลังจุติในภพทุกภพอะอนะที่ไหนที่เขากําลังจุติเนี้พระองค์เห็นหมดอะ <c oughs> และกําลังอุบัติ ด, ด้วยกํ <oughs> าลังปฏิสนธิอะนะของเราอย่างมากก็เห็นแค่ตอนคลอดใช่ไหมย <c oughs> อย่างเก่งอะนะแต่ว่าไอตอนที่ยังลงสู่คันเนี่ยใครเห็นบ้างเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นอะ น, น, นะผู้ที่มีริษส่วนหนึ่งก็เห็นนี่ย น, นะพระองค์เห็นทั้งกําลังจุติและอุบัติขณะเดียวกัน ร, รู้ด้วยว่ากรรมไหนที่ทําให้จุติเนี่ย น, นะกรรมไหนเป็นปัจจัยให้จุติกรรมไหนที่ไปนําเกิดเนี่ยนะก็อย่างเห็นหมดแล้วก็ถ้าเกิดในที่เลวอันนี้เป็นผลที่เกิดจากโมหะเนี่ยทําให้เกิดเลวทําให้เกิดประนีตก็เป็นผลของอโมหะคือปัญญาเนี่ยนะฉั้นคนที่อย่างสมมุติว่า พูดปฏิสนธิด้วยติเหตุเนี่ยนะโดยมากจะประณีตเนี่ยนะคือรูปจะดีนะแล้วก็พูดแบบง่ายๆว่าคนที่มีการศึกษาเนี่ยนะผิวพันธ์กับพวกไม่มีการศึกษาไหนผิวดีกว่ากันโดยรูปร่างผิวพันธ์เป็นต้นเนี่ยนะพวกมีการศึกษาผิวดีกว่าเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้คือเป็นผลของอโมหะกรรมที่อโมหะนําเกิดเนี่ยนะแต่ว่าพวกที่โมหะนําเกิดก็ยกับโผล่กับเพลกกับ น, นะดูไม่เข้าเ้าเลยนะดูไม่ออกเลยว่ามีปัญญาอย่างนั้นเนี่ย ผู้มีปัญญาเนี่ยโดยส่วนหนึ่งท่านบอกว่าดีคือประณีตส่วนพวกผิวเกี่ยวกับเรื่องผิวเนี่ยนะก็คือเป็นผลของโทสะทําให้ผิวซามผลของอะโทสะทําให้ผิวดีส่วนได้ดีเนี่ยนะก็เป็นผลจากอะโลภานะได้ดีก็ร่ํารวยมั่งคั่งเป็นต้นก็อะโลพาเป็นเหตุส่วนตกยากเนี่ยนะลำบากเต็มทีแล้วนะเดือดร้อนเป็นทุกเรื่องเลยพวกนี้เป็นผลของโลพะเพราะฉะนั้น โลภะเนี่ยทําให้เอาเข้าไปโมหะทําให้เลวโมหะทําให้ผิวสามโมหะทำเอ่อโลภะทาให้ตกยากอะโมหะคือปัญญาทําให้ประณีตอะโทสะทําให้ผิวงามอะโลภะทําให้ได้ดีนั่นนะอันกุศลมูลคืออะโลภะอะโทสะอะโมหะทําให้อนะให้ผลที่น่าชื่นใจจริงๆแต่ถ้าโลภะโทสะโมหะให้ผลนะเนี่ยเดือดร้อนทั้งนั้นแหละ ที่พระองค์เห็นอย่างนี้เห็นด้วยที่ประจักษ์สุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์พระองค์ก็ยังทรงทราบชัดคือรู้ชัดหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเนี่ยนะด้วยกรรมมูปะคา้ายานที่เป็นอภิญญยาว่าสัตว์เหล่านี้หนาประกอบด้วยกายธทุจริตวัจีทุจริตมโนทาุจริตแล้วก็บาป พ, พิเศษอีกสองตัวคือติเตียนพระริยเจ้ากับเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะ ย่อมถือการกระทําด้วยอำนาจมิจฉ ช, ชาทิฐิเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนารก น, นะาะพันอากุศลกรรมบท1ิบประการนะนะพิเศษคือติเตียนทารยะเป็นมิชาทิธฐิเนีน่ยนะอันนี้แหละโออาบายทุกขติวินิบาทนารกเพราะฉะนั้นเวลาเราสัมผัสรับรู้สัตว์ในอบายเมื่อไหร่เนีน่ยนะสาวไปหากรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้เลยอย่างตุ๊กแกที่มันร้องเนีน่ยนะ พวกหมูหมากาไก่พวกจักจันติ่งรีธเรไรทั้งหมดเนี่ยโคกระบือสุนัขสุกรทั้งหลายเนี่ยเราน้อมไปเลยว่าโอ้เนี่ยเป็นผลของการยัตุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือบางเจ้าก็เป็นผลของติเตียนพระเริยเจ้าก็คือไปด่าพระเริยเจ้าเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ตัวเองก็จะได้เกิดจริงๆอย่างวาสการพรามด่าพระมหากัจจยนะด้วยว่าทว่าลิงอ่ะตัวเองก็เป็นลิงอย่างเนี้ยทนเนี่ย การด่าว่าร้ายพระอริยะหรือเป็นมิจฉาทิถิเนี่ยนะคติของมิจฉาทิถิก็อบายทุกคติวินิบาตนารกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเห็นหมูเดราชานเป็นต้นเนี่ยนะก็น้อมไปได้เลยว่านี่ไม่ได้เรียกว่าร่องรอยแห่งบาปานะร่องรอยแห่งบาปทางกายวาจาใจเนี่ยนะ หรือสัตว์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะที่ประกอบไปด้วยกา ย, ยสุจริตคือความดีทางกายความดีทางวาจาความดีทางใจเนี่ยไม่ติเตียนพระเรียเจ้าก็ตรงกันข้ามก็สันเสริมพระเรียเจ้าเนี่ยนะเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิรู้บุญรู้ผลของบุญรู้บาปรู้ผลของบาปเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อทํากรรมด้วยความรอบรู้ในผลบุญผลบาปเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สุคติก็คือมนุษย์เนี่ยนะ เห็นมนุษย์ทั้งหลายก่อนเนาะไปได้เลยเนี่ยเป็นผลของทานศีลภาวนานะที่มานำเกิดอย่างนี้ถ้าผู้มีปัญญาหน่อยนี่เป็นผลของกรรมมสการตาปัญญาเป็นปัจัจนะนำเกิดจึงทำให้มีปัญญาหรือแม้กระทั่งได้ข่าวเ ท, ทวดาและพรหมทั้งหลายก็เหมือนกันเป็นผลของสุจริตกรรมนะ เะฉนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติเลวประนีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซ้ำได้ดีตกยากด้วยที่ประจักสุอันบริสุทธิ์เรื่องจักสุของมนุษย์ย่อมทรงทราบย่อมทรงทราบหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการดังนี้นะก็รู้เห็นคือว่าเห็นมนุษย์สังอย่างไปถึงกรรมได้นะไปยังไงมายัางไงนะเห็นเขาทํากรรมนี่ก็อย่างไปถึงผลของกรรมด้วยว่า กรรมที่เขาทำเนี่ยจะมีผลไปยังไงต่อไปเห็นไหมอันแสดงว่าใครกําลังปฏิสนธิในขันเนี่ยพระองค์เห็นหมดนะปฏิสนธิในไครปฏิสนธิในเท่าใครอันนั้เรียกว่าพบสามกำเนิดสี่เนี่ยนะหรือคติห้านรกเดชะชานเปรตมนุษย์เทวดานี่เห็นหมดนะหรือว่าวิญ ญ, ญาณทิฏฐิเจ็ดหรือโดยสัตตวาด้เก้ายังเห็นหมดแล้วก็ยังเห็นแม้กระทั่งกรรมที่ไปนําเกิดนะ พบสามกําเนิดสคติหวิญญาณทิติเจ็ดสัตตาวาส9ขณะเดียวกันก็ยังรู้แม้กระทั่งว่ากิเลตันหาอะไรเป็นปัจจัยแห่งการทํากรรมเนี่ยนะมาจากทวารไหนเนี่ยเห็นชัดหมดเลยด้วยอำนาจที่พจักษุทีนี้พูดถึงตาทิพย์เนี่ยนะรัศมีของตาทิพย์เนี่ยนะที่เรียกว่ายิ่งกว่ากล้องสองทางไกลเนี่ยนะว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงประสงค์ก็ทรงเห็นแม้โลกธาตุโลกธาตุหนึ่ง เรียกว่าทั้งจักรวาลเนี่ยมองเห็นหมดอะหรือว่าสองจักรวาลโลกธาตุหมายถึงจักรวาลเนี่ยนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ0้าส0บ0ี0สิบสามสิี่สิหร้อยพันพพหรือหลายพันโลกธาตุเห็นหมดอะว่า ง, งั้นเถอะประสงค์จะเห็นเนี่ยเห็นเท่าไหร่ก็เห็นได้เพราะนั้นพระองค์ประสงค์จะเห็นเท่าใดก็เห็นเท่านั้นนะเป็นแสนโกดจักรวาลหรือเป็นล้านล้านโกดจักรวาลแต่จริงๆแล้วจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะ สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีอยู่สี่ประการ 1. จักรวาลเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุด 2. อากาศก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะสมสัตว์นี่ก็ไม่มีที่สิ้นสุด 4. พระพุทธยาณเนี่ยนะสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดเนี่ยพระพุทธานก็ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นพระองค์เนี่ยรู้ทั้งหมดเหล่านั้นอันนี้ก็ด้วยอันาจของทิพจักสูตรของพระองค์เนี่ยนะ ก็เป็นผลของบุญอีกเหมือนกันเป็นผลของการอบรมบาเพ็ญจนมีอภิญญาเนี่ยทำให้มองเห็นได้กว้างขวางลึกซึ้งขนาดนั้นทีนี้ต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแม้ด้วยปัญญาจักสุถามว่าเป็นอย่างไรพระองค์มีปัญญาจักสุะนะก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญารื่นเริงมีปัญญาแล่นไป มีปัญญาคมกล้ามีปัญญาชำแรกกิเลสทรงฉลาดในประเภทปัญญามียานแตกชานบรรลุปฏิสัมพิธาบรรลุเวสารชย า, รายานสี่ทรงทศพลยานสิบประการเนี่ยนะทศพลายานสิบเนี่ยนะพระองค์นั้ น, ะร น, นทรงเป็นบุรุษองค์อาจเป็นบุรุษสีห์เป็นบุรุษนาคนาคคือผู้ประเสริฐเนี่ยนะเป็นบุรุษอาชาในาเป็นบุรุษนำธุระไปเป็นปกติทั้งธุระตนธุระผู้อื่นเนี่ยนะ คือสัมนวนว่าอีกในหนึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้นําโลกก็ได้ผู้รับใช้โลกก็ได้เนี่นยนะเนี่นยนะ ค, คือคือคําเหมือนกับรับใช้อ่ะคืออนุเคราะห์สงเคราะห์เขาอ่ะนะคิดว่าเอาภาระของคนอื่นมาเป็นธุระของตัวหมดอ่ะเนี่นยนะเพราะเห็นแก่ธุระคนอื่นนั่นแหละทําให้พระองค์เนี่ยสเสด็จจารีเที่ยวสงเคราะห์อนุเคราะห์สพัพพะศาทั้งหลายแต่ที่ทําอย่างนั้นก็ด้วยพระมหากรุณาเนี่นยนะ พระองค์นี้มีพระญานหาที่สุดไม่ได้มีพระเดชาหาที่สุดไม่ได้มีพระยศหาที่สุดไม่ได้ทรงเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากทรงมีปัญญาเนี่ยเป็นทรัพย์นะนะก็ถ้ามีปัญญาสัอย่างเดียวเนี่ยนะทรัพย์อย่างอื่นก็จะไหลมาเทมาทั้งหมดอยู่แล้วนะพระองค์ยิ่งมีปัญญาเท่าไหร่เนี่ยก็คุณธรรมอย่างอื่นเนี่ยพระองค์ก็ได้หมดพระองค์นี้ทรงเป็นผู้นําทรงนําไปโดยวิเศษนําไปเนืองๆให้รู้จักประโยชน์ให้เพ่งพิจารณาให้เห็นประโยชน์ ให้เล่นตายด้วยภาษาะความที่พระองค์มีสติปัญญาอย่างเงี้ยพระองค์จึงผ่องใสเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ให้มรที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นทรงให้มรที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นพร้อมอ น, น, นตรัสรู้มรบอกมรที่ยังไม่มีใครบอกทรงรู้ซึ่งมรทรงทราบซึ่งมรฉลาดในมร ก, ก็และในบัดนี้ สาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระองค์นั้นเป็นผู้ดําเนินไปตามมรรคยู่เป็นผู้ประกอบด้วยศีลาที่คุณในภายหลังนะพระองค์นี่เป็นพระศาสดาจริงๆหมู่สาวกทั้งหลายก็ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามพระองค์เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นมีพระจักสุมีพระยามีธรรมมีพรหมคือมีความประเสริฐเนี่ยนะ ตรัสบอกเป็นผู้ตรัสบอกโดยประการเป็นผู้นําออกซึ่งอัดทรงประธานอมตะธรรมทรงเป็นธรรมมสามีทรงเป็นพระตถาคตสิ่งที่ไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นไม่ทรงทราบไม่ทรงทาให้แจ้งไม่ทรงถูกต้องด้วยปัญญาย่อมไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น สิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นนี่ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีเนี่ยเรารู้เรารู้ตอนเนี้ยพระองค์รู้หมดนะว่าเรารู้อะไรกันเนี่ยนะรู้แค่ไหนรู้แล้วมันจะจบยังไงไปยังไงเนี่ยพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดมองตลอดสายทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำทั้งปวงรวมทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันย่อมมาสู่คลองมุก ค, คือพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วโดยอาการทั้งปวงอดีตมันจะขนาดไหนพระองค์ก็รู้หมดนนอนาคตต่อไปเป็นยังไงเนี่ยพระองค์ก็รู้หมดอันนี้ด้วยอาการของปัญญานี แตย่าลืมว่าโอ้โหถามว่าทําไมความรู้ความสามารถจึงมากขนาดนั้นก็สี่อสงไขยกําไรแสนกลับเนี่ยนะบำเพ็ญแบบปัญญาที่กะนะปัญญานําหน้า น, นะปัญญานําหน้าในการบําเพ็ญปัญญาเนี่ยนะันผลของปัญญาที่อบรมตลอดสี่อสงไขยแสนกลับเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้สัพพัญญุตยานนาวรณายานอันนี้จึงรู้ได้กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประโยชน์ที่ควรแนะนําทุกอย่าง อันชนควรรู้มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยนะที่ควรรู้นะเช่นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายตนฝ่ายผู้อื่นประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์ตื้นประโยชน์ลึกประโยชน์ลี้ลับประโยชน์ที่ปกปิดประโยชน์ที่ควรแนะนําประโยชน์ที่แนะนําไปแล้วประโยชน์ที่ไม่มีโทษประโยชน์ไม่มีกิเลสประโยชน์พ่องแผ้วประโยชน์อย่างยิ่งนะแม้กระทั่งเรียกว่าประโยชน์คือมรรคผลนิพพานเนี่ยประโยชน์ทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปรอบ ใ น, ในในภายในพระพุทธญาณพระพุทธญาณนี่ยังรู้รอบรู้ทุกอย่างหมดนเนี่ยนะไม่มีส่วนเหลือนะเหมือนกับถ้าพูดอุปมาเห็นเห็นหน่อยก็คือเนี่ยเหมือนดวงอาทิตย์สองกลางวั น, นเนี่ยนะเราอยู่ตรงนี้ดวงอาทิตย์ก็อสองที่กรุงเทพดวงอาทิตย์ก็อสองที่ประเทศอื่นดวงอาทิตย์ก่สองทนดวงอาทิตย์เนี่ยสองทำให้รู้ให้เห็นอ่าให้ได้อย่างกว้างขวางเนี่ยนะเพราะดวงอาทิตย์เป็นอุปนิสัยพระยานของพระองค์นี่สว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์นี้สว่างเฉพาะกลางวันเนี่ยนะดวงจันทร์เนี่ยสว่างเพพาะกลางคืนแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะมีพระญาณที่สว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืน